เอาตั้งใจฟังทุกคนไม่มีโอกาสที่จะมาพูดด้วยแล้วพวกเราทุกคนนี้ให้ํำความผัยใจไว้ที่ซึ่งก็มาจำภาษานี่มาบวชในวัดนงองะพงเนี่ยวัดนงกระพงนี่มันแปลกหลายอย่างผมก็บอกอยู่แล้วว่าวัดนงกระพงนี่ไม่ใช่วัดธรรมดานะมันทุกทุกอะไรไม่รู้ละบวชไปเถอะ ลกกระซูได้สูได้ ไ, ดไม่ได้นึกถึงหงผ้าผงผ้าด้วยว่ามันจะเป็ยากเอากระแสมันยากผมผ้าจะแล้วเนี่ยดูสิมันมีอย่างเนี้ยการขบการทันการในทุกอย่างนี่นตรงนี้ฝึกเรื่องว่าเรามาฝึกยิสายของคารวัตนั้นยังมีฝึกกายไม่ฝึกใจเรื่องอะไรที่ยังไม่ฝึก ด, ดูจัดต่างๆก็ไอ้ไอ้ไอ้มาก พอดีโคพอดีสิมันเอามาเทียงเทียนเข้ามันยังไม่ฝึกมันก็จะพาเทียนวิ่งควายถึงเหมันการเอามาเที่ยงถ่ายไปมันฝึกฟังื่อ ว, ว่าฝึกเนี่ยมันมันเรื่องของพระมันอย่างหนึ่งเรื่องของโยมมันอย่างหนึ่งถ้าโยมมองเห็นยังงง่ายไม่ว่ามันง่ายมันเป็นของยาก แกผมก็เคยบอกทุกๆคนว่ามาอยู่กับผมมันยากนะมันที่ยากอะไรรู้มันจะไม่เห็นยากอะไรมันงีาจริงๆที่มันยากแต่ยังไม่รู้จักมันมันยังไม่โผลขึ้นมาพามันโผลขึ้นมาแ่ะมันมันลู้กันเลยนะแต่มันหําากแล้วยังงั้นที่มาอยู่วัดน้องประโคมธรรมดาแล้วพอมาบวทสามัญชนนั่นผมให้อยู่นานๆอยู่ตั้งสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเป็นเรื่อไป ผมให้กรมีพิเศษพวกลาบวัตสามเดือนนี้อืพยายามเอาก็เห็นอยู่ว่ามันจะเน่คล่องตัวง่ายๆก็ต้องเอาไว้เราเป็นภูมิคติภามันมีเวลาบวชน้อยก็ต้องเอาไว้เนืตาอย่างนี้แต่ผมบอกมันยุ่งนะมันยากลาบากลำบากผมก็จะเอาอืก็เห็นอยู่มันเน่สยสิยากสทําบากเท่าไหร่ อย่างนี้เป็นวิสัยของเราเรามาเปรียบเทียบที่ที่ชีวิตเราอยู่เนี่ยมันต่อมันง่ายพระเรื่องของพระในเรื่องภายนอกมันจะยากขนาดนี้เรื่องการงานของพระนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายในรู้จักงานภายในของพระอืม งานของโยมมันไม่ยากหรอกแบกกระสอบข้าวกระสอบนี้ไปทิ้งที่โน้นเดีวกระสอบมาแบกไปอีกขอนในค้นก้อนหินก้อนอ น, อ น, อ น, นี้ไปวางในโน้นเด้๋ยวกระสับมาอีกอย่างนี้มันไม่มยากอะไรเนะก็เพราะมันเห็นในตาเราง่ายแต่ว่าเราจะมาทําจิตของเราไหมคิดมากมาให้จูงใจมาให้มีความอยากนี่โยมทั้งหลายเนี่ยไม่เคยคิด เคยแต่ว่าอยากจะให้มันอยากได้ไดหลายอยากได้มากอยากเอาชนะคนอื่นถ้านั้นแค่ไหนมากน้อยสันโดษจะให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นนี่มันลาบากตรงนี้ใครใคมันจะยอมแพ้คนอื่นจะแต่จ้องเอาชนะทางนั้นโลกคนเนี่ยจ้องเอาชนะเขาไม่เอาชนะเราพระพุทธเจ้ากลับสอน จับตัวจะให้เอนะตัวเองดีกว่าอย่าเอาชนะคนอื่นเลยเอาชนะคนอื่นมันจะเรื่องจะเรามันเพราะกันข้ากันแจงกันมันเกิดขึ้นใหญ่ถ้าเอาชนะคนอื่นอยู่ตัวเราไม่กได้ชนะให้ครๆอะไรก็ไม่ชนะถ้าเราเอาชนะตัวเราได้คนอื่นมนก็ชนะคนทั้งโลกนี่มันก็ชนะอะไรมก็ชนะไปทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้น แต่เอาชนะตัวเองเนี่ยมันลาบากไม่เคยไม่ไม่พยายามจะเอาชนะตัวเองด้วยคนเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นคนเต็มถึงร้อยเปอร์หซ็นต์เลยมันยอมใครเกิดชีวิตเกิดมานะจะยอมคนไง่ายไม่ยอมจะเอาชนะคนอื่นเรืยไปเรื่องเอาชนะตัวเราเนี่ยไม่มีใครมีประโยชน์พยายามในนอกจากพระที่สอนเั่านั้นเนี่ยมันจะเลื่อนอย่างนี้ มันกลับกันเสีมันกลับแปฏิบัตกันเสียถ้าเดินทางหนึ่ง<ม>จะรูที่ว่าว่าปฏิบัติบบมานี้ไม่ให้เอาตามใจของเรามันก็หมดท่าจะได้เราต้องเอาตามธรร ม, มะทัะนคติคือความจริง่ทับใจของเราเหนึ่งดูสิมันไม่ไปเรื่องกันมันไม่เห็นง่ายๆมันจึงไปฝึกฝึกจิตของเราเข้าไปหาธรรมะ น้อมจิตเราเข้าไปหาธรรมะเราจะน้อมธรรมะธรรมหาจิตของเราอืถ้าน้อมธรรมะธรรมหาจิตของเราจิตของเราจะเป็นอริยโสดาบันเลยไม่ต้องจิตษาแล้วเนี่ยคนมันเห็นยืนเตี้ยอย่างเนี้ยมันไม่ยอมมันเป็นจิตสาจิตตรีมันต้องทุกข์มันไม่ได้ตามปรารถนาของเราเริ่มตัง้งแต่ฉันข้าวในบาสีน่ะมันยุ่งกับเริ่อ ข้าวก็ใสต้องไปหวานก็ใสตรงไปแหม่มันยุ่งเหลือเกินมันขัดใจเหลือเกินเนี่ยอมันขัดใจทุกคนมันต้องขัดใจผมยังจำพระพุทธเจ้าเลยปฏิบัติใหมๆ่ๆเนี่ยพระพุทธเจ้ามั่ก็โง่นะบาตรใหญ่จะขั้นเปนตาตระรังตาตารางมั่งก็ดีแกงใสตรงนี้นะพุทุตรงนั้นอันนั้นใสตรงนี้เนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าโง่ไปแล้ว มันปุ่มมันแต่งมันน้ำบาะมันไปปะพนกันหมดมันยุ่งม่กเลยสังขารมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆหาว่าพระพุทธเจ้าโู่แต่แล้วไม่ฉลาดเอาหนังพุกไปตรงนี้เอาหวานไปตรงนี้เอาข้าวไปตรงนี้แกงเผ็ดไปตรงนี้แกงจีบไปตรงนี้เออมันเพ่งจะผูกใจเราอ่ะนะอือันนี้อภิรมอันเดียวกันหมดมันก็หมดท่าแต่ไม่เคยผูกใจเราเนี่ยจะทุกข์แล้วเนี่ยเท่านี้มันก็ทุกข์แล้ว ว่าวเราจะทํำข้าวในบาตรให้มันนองลอยจนจะไม่มีอะไรแล้วเปจนใจเราทอดเงี้นเน่ยทราบคนอะไรก็ช่างมันเดินเอามาเนาะทอดซึ่งมันเป็นทอดอะไรเนี่ยสบายเลยออืย่างนี้ต้องต้องมีพระพุทธเจ้านีในใจของเรามาเป็นอย่างนี้ความจริงจริงพระพุทธอย่างท่านทำถูกแต่เราเข้าใจว่าท่านทำผิดเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนี้ มังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ง่ายๆมันยากเหมือนกันนะท่านเราต้องมากๆากท่านเห็นมากน้อยมันไปคนละทางแต่ละอย่างนี้อืมันไปซะอย่างนี้ฉันมันถูกฝึกฝึกมันจึงทุกข์เมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาต้องเข้าใจว่าเรามันทุกข์ความจริงๆพระพุทธเจ้าถโนยเราไม่ทุกข์จิตเดืมันทุกข์มันเดือดร้อนเราก็เข้าใจว่าไม่มีจิตเดือดเข้าใจว่าเรามันทุกข์ ไม่อให้โทษกินเลสสักนิดหนึ่งให้โทษเราว่าเราฝุกนไม่ให้โทษกินเลสสักนิดหนึ่งเรื่องพุทธิยานเมื่อทำไรกิเลสมันเดืร้อนถูกแล้วมั น, นนะถูกแล้วถ้ามันเดือดร้อนน่ะถูกแล้วถูกกิเลสแล้วฝูกตัวมันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ระแดมันสบายได้ตามศาสร์นาของมันอย่างไอบาตมาขั้นเป็นตาตะรางอย่างเสีดไปตรงนี้เสียดไปตรงนี้เสียอะไรอะไรไปตรงนั้น นั่งพิจารณาตรงนี้มันก็สบายใจมันกำลัเ น, นี่ยนี่ก็ดีว่าอืเราไม่รู้เรื่องของท่านแต่ถ้าคิดไอีกอย่างนึงนะถ้าเราขั้นขั้นเปลนตาทา็นยังไงเมื่อเราล้างบาตจะทำไงนี่เมื่อร <c oughs> เราจะเช็ดบาตรจะเป็ยังไงมันจะสะอาดได้ไหมนี่มันเตลี่ยนมุมท่านแล้วท่านมาทำอย่าง น, น, นี้ฉะนั้น ปฏิบัติใหม่ๆนี่นะไอเราการคาสอนของพระมันต่องแย่งให้ไปตลอดตามเลยแย่งดื้อท่านเอาอยางนั้นเราเอาอยางแกจะพยายามแกจะหมายด้วยไปนะเราเนะพยายามแก้แกคาสอนของท่านเ่ยไปลักษณะจิตวตินจ้นั่นแหละให้เห็นวนะ่นั่นแหละผู้สร้างบารมีของเรานั่นแหละคือครูสอนไร้ลาาะ แคเราไม่เห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นปฏิปักษเราทั้งนั้นแหละไม่ได้เข้าข้างพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าข้างมันทั้งนั้นแหละแต่ตามใจมันมันถึงจะดวกนต่ไม่มัน่ยอมแค่จะขอมันโขกเสียงกันไปเรื่อยๆมันต้องเสียงกันไปเรื่อยๆเรื่อๆโขกกันไปเรื่อยนะเออโขกกันไปเรื่อยถ้ามหลนความจริงเมื่อไรจิตไม่ยอกคือบาอาจารย์ก็สอนไปเถอะสอนไปเถอะสอนไป เราก็ย่งไปเรื่อ ย, ยมันไม่ลงรอยกันมันยังไม่เข้าถึงธรรมะใจเราไม่เข้าถึงธรรมะอยากจะน้อมธรรมะเขามาใส่ใจเราอืให้ใจเราเป็นอุศโชนนี่ยก็ให้พระพุท ธ, ธเจ้ามากราบเราเท่านั้นแหละถ้าเราน้อมธรรมะเขามาใส่ใจของเราเราจะน้อมใจเราก็ไปสู่ธรรมะธรรมะนั่นแหละแทนตัวพระพุท ธ, ธเจ้าเดี๋ยวนี้ พระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ท่านยังไหนนิพพานนี่ประคันของท่านนะเฮนามธรรมานะี่มันยังเหลืออยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่เมืออ่อเราจะแยกธรรมะของท่านกันเสียงตัท่านเลยนะเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นเราเสียงธรรมะท่านจะเสียงตัวท่านอืก็จะทำเป็นพระพุทธเจ้าใครเห็นทำคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นตถาคตใครเห็นตถาคตคนนั่นเห็นอนิพพาน พระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนแกได้ก็กราบเสมอกราบพระพุทธรูปกราบด้วยด้วยแต่ไม่ลงรอยกับท่า น, นถ้าท่านทำนี้ก็ไม่พอใจกับเราแต่กราบเสมอนี่มันไม่เปเิดปัญหาแล้วกราบมันดื้อไปแคในฟังคำแต่มันฝ่าฝืนอย่นั้นแหละฉะนั้นเลยจึงมาฝึกหัดกันนี้ตลาดคนพูดกันดับดีมาอยู่เอาอย่างนี้นะครับเอาอยางนั้นนะครับ แต่แล้วก็มันมีขโมยอยู่ในใจองเองไม่ทําตามตรมีดังนั้นจึงจะเป็นของยากว่าจิตของพระนโยมในรู้โอู้ไ่รู้ไม่ได้รู้ยากรู้ลาบากเนี่จัดยากเพาะ่เรื่องของพระมันไม่เหมือนเรื่องของโยมทุระของพระไม่เหมือนทุระของโยมการงานของพระไม่เหมือนการงานของโยม การงานของพระนี่มันดะเอียดจะยืนจะเดนินจะนั่งจะนอนจะต้องมีสติสมองสมุทเรื่ อ, อยอย่างนั้นดูจิตของเจ้าของพูดไปจิตของเจ้าของเรื่อยไปอือันนี้คนที่ยังไม่รู้ตัวก่อนจะรู้ตัวก็ต้องรู้ธรรมะเมื่อยอมเมื่อไรจะรู้เมื่อ น, นั้นครูมาอาจารย์สอนกระบวนการ น, นั้นเนี่ยบางทีสอ น, นว่าอันนี้จังผูกพันนันตา ความเกิดความแก่ความเกิดความตายวันนี้สอนพรุ่งนี้สอนสอนได้ด้วยถราเด่นบางคนก็ระจะมาอาจารย์เนี่ยเทวด่อนิจังกุขังอนาตานุนาวันิุวรรณวรนเปลีย่ยนเทื่ออย่างอื่นก็ไม่ได้เทวดาเกิดแก่เกิดตายเพ่านั้นแหละอย่างอื่นก็เทื่อเป็่ได้แต่โพดอาจารย์เทวดคนเทวดาอ น, นิจังเราเห็นแบบดีอย่างก็เห็นเนี่ยชัดอนิจังดีอยัง ถ้าเห็นอ น, นี้จ really must, ceu, <letter> so, it it ังทุกขั้งอนตาเนี่ยชัดมันไม่เดืองอาจารย์หรอกมันไม่เรื่องอาจารย์มันหมดแล้วลูกจากความเกิดความแก่ความเสียความตายแล้วมันต้องหมดแล้วไม่ต้องกระเดื่องอาจารย์แล้วท่านพูดถูกแล้วเราฟังยังอยู่ถึงผมก็เคยรำคาญเหมือนกันขึ้นเหนืออนี้จังทุกขังอนัตตายังเบื่อเพื่อเกดแก่เสียตายเบื่อ เดือสา ร, รมาเทิดจนเดือแล้วเข้าใจว่าท่านเทิดอริจังทกขังนาตาทูกขงังเปลี่ยนเทดยังเืนไปไม่ได้ใจจะขาแนจทดเนี่ยเราไม่ถามถึงขวาวาลชนว่ามจังชัดเดีวหรือยังเราเห็นทูกขงงนนนาาังชัดแน่เลยหรือยังเราเห็นอนัตตาชัดแน่เลหรือยัง ถ้าเราเห็นแม่ในรองอะจังศักขิังอัตใดเราต้องไม่แตเรื่องไทยแตปัญหามันก็หมดเท่านั้นแหละมันก็หยุดตรงแค่นั้นถ้าเราเห็นความเกิดกิดเกิดตายอย่างจริงจังแล้วมันก็หมดแค่นั้นแหละเฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงย่ำเส ม, มอย่ำเสมอบ้านีหนจะมาเที่ยวกันกินันอนนี่หให้กินน้อยให้นอนน้อยให้ได้ประมาณถึงย่าอยู่ตรงนี้แล้วไจะ ไ, ไปที่ไหนหรอกเราก็ไม่สบายใจ ม่ค่อยสบายทำไมให้ถูกบังทับนอนกอดต่องบังทับกินก็ต้องบังทังบทนะยิ้มสวัสดีใจกิโลสองกิโลเหนื่อยจะตายใคยังมาถูกบังทับมากินห น, น้อยนี่มันเรื่องจิตใจของผู้เรียมันเรื่องจิตใจของคนมันยังเห็น<ด>มันก็จะเห็นประโยชน์ั้นใครทุกคนบวชใหม่ๆก็ต้องเป็นรประโยชนั้นมันต้องอาศัยการอดทนอาศัยการกระทำเทียน เอียนไปนั่นแหลฟังมปนั่นแหละให้มันเบื่อถ้ามันเบื่อจริงๆเลยค่ะมันก็ลดมันก็หมดปัญหาไปนั่นต่ความเป็นจริงน่ะท่านมองเห็นเรายังมีอะไรอยู่ที่มันจะสั้นทางทางปฏิพานมันมีอยู่แต่ตัวเราไม่เห็นเราอก็กรณีว่าเราฉลาดมันฉลาดไปจริงที่เรารู้จริงจร้ารู้มันโง่ดทุกคนนั่นแหละอย่างผมน่ยมันโง่หลายเหมือนกัน อยู่เมืองนี่มันต่อในโง่เพราะมันพูดภาษาไทยภาษาลาวก็ได้ไปเมืองอังกฤษมันโง่ร้อยเป็นเลยเพราะมันพูดไม่ได้อะไรเลยนี่คนทุกคนให้ใส่ใจอันใดเราไม่รู้จักอันนั้นะมันโง่จะไปอวดดีเลยที่คนรู้จักมันในโง่กว่เพราะมันรู้จักอันนั้นะมันไม่ทายเราอย่างนี้อืมันเป็นไปอย่างนี้แสดงกานบวช จะได้บวชมานี่จะมาบวชมาพุทธศาสตร์สนานี่ก็เป็นของยากมันยากอะไรดูเที่ยงจริงที่มันพาเรายากในทางโลกมีอะไรบ้างถ้าเป็นหนุ่มอยู่มันก็พาลงเจลงนั้นอืทุกจริงทุกอย่างสารพัดถ้ามีลูกมีเมียมาบวชได้มดันุดตุดลูกติดเมียห่วงใยสารพัดอย่างก่อนจะเดินบวชนี่มันยากแม่จะเกิดมาโตขนาดนี้เดิมาบวชนะมันก็เป็นของยาก มันยากคนะนึบางที่เกิดเป็นอิจฉาที่สี่ขนาดบวชไม่ได้นี่ประจักษ์ข้าวมับางทีก็ตายพรอันหนึงบวชก็ไม่ได้เนี่ยมันยากในการบวชนี่มันยากอย่างนี้บวชแล้วจะได้ฟังคำของท่านขอยากอีกแล้วทำไมมันนี่การทำมันเป็นธรรมปฏิรูปมันเป็นธรรมเตรียมธรรมแต่ฟังแต่การทำที่เป็นเป็นเถื่อนคท่านั้นเนี่ย คนว่ายังไงก็ไปยังไงนคนอื่นว่ายังไงก็ไปกันอย่งงางไงนีน่เรื่องเราจะเอาตรงไหนดีโดยบวชบวชจนแกหนุ่มจนตายไม่เคยไปฟังธรรมคนผููเที่ยวธรรมะให้คนอื่นฟังตลอดต้นจนตายก็ไม่เคยไปพูดธรรมะคนที่นั่งฟังธรรมะอยู่จนต้นจนตายก็ไม่เคยไปฟังธรรมะเนี่ยไห้ดูว่าทำไมันยากอย่างนเนี้ เทิดธรรมะเทิดยังไงเทิดขอเทิบจริงเทิดให้มันแน่นอนเห็นความจริงเห็นมาจริงๆนั่นให้ผู้อื่นเห็นธรรมะเน่ยมันยากมันก็เทิดตัวอย่างอื่นไปเสียดกับโรคกับนองไปเทิดตามโรคตามเรื่องตามลาวเข้าไปเสียนฟังก็นั่งฟังเฉยๆไม่เอาไปปฏิบัติยากถ้าไปฟังเทิดจริงๆเน่ยมันนอนไม่ดับนอนก็ต้องสะดุ้งมันประมาทไม่ได้ อืมันประมาทไปได้ถ้าไปฟังเคล็ดฟังธรรมจริงๆแล้วทำดีไรดีดทำชั่วก็ได้ชั่วเท่านี้ถ้าเราเห็นชัดตรงไปแล้วเราทำชั่วมีดืมถ้าเรามาเห็นได้เราทำชั่วของเราได้ทำ ง, ง่ายกว่าที่ว่างๆไม่มีใครเห็นเราก็ทำได้นึ่ว่าคนเห็นเราเนี่ยจะทำอะไรก็ทำได้เมื่อไม่มีคนเห็นเราก็ทำได้นึ่ว่าคนเห็นเราเนี่ยนี่เรื่องของคนเห็นธรรมะ ถ้าอยู่ในวัดลัวครูบาอาจารย์ตัวเพื่อนผูงจะเห็นอะไรต่อได้ตัวท่านนี่ในตัวบาปเมื่อ ม, มันเผอจากครูบาอาจารย์ไปแบบทำเลยเพราะาเพื่อนที่สืกก่อตัวม่เห็นครูบาอาจารย์ต้งเห็นตอนนี้ว่ามันมีไสยวรู้อันนี้มันโง่จะตายไปมันก็ไม่ได้เรื่องของเจ้าของทำขวานเชือจะดําลงไปในนะ้ำไปทำดีมันจะมีคนรู้คนอื่นไม่รู้เราคนทําก็รู้ ก็ไม่จ่ทนหนีมันก็ดูถูกเกจากของด้วยไปจะไปสร้างเยวนอากาสตความทั่วคนไม่เห็นก็คือเราก็เป็นคนก็ต้องเห็นการกระทำของเราเนี่ยถ้าเห็นธรรมะมันทําความทั่วไม่ได้เรามันอยู่ที่ไหนมันทําไม่ได้คนเดียวก็ทําไม่ได้อยู่ในขั้วในุ้มก็ทําไม่ได้อยู่ในน้ำก็ทําไม่ได้อยู่บนอากาศก็ทําไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทําที่ไหนคนไม่เห็นไม่มี คนอื่นไม่เห็นเราก็จะเห็นเรามันทำไม่ได้ถ้ามันเห็นธรรมะได้ฟังธรรมะดูธรรมะต้องเป็นแบบนั้นผู้ฟังธรรมน่าจะได้บวชในพนนุทธศาสนาก็ยากการบวชนันจะเป็นของยากอย่างนี้แหละจะไปที่ไหนจะไม่ได้ตา่ยายทังหวะจังวอนจังรวมกินน้อยนอนน้อยเห็นน้อย ไมตามปรารถนาของเราทุกอย่างไม่ได้เที่ยวไปโรงนังโรงอีเฟไม่ได้กินตามปรารถนาของเราเนี่ยอยากได้ของรอนมันก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของรอนอยากเลยมากเขาก็ให้น้อยอยากใครก็ให้เรยอะเขาให้ช้ามันไปคนละทางทั้งนั้นแต่มันทุกข์มากเลยเมื่อบวชเป็นพระแล้วได้แล้วเนี่ยจะมีใครมีศรัทธาบวชแล้ว จาอะไรปฏิบัติมันก็ยากถึงถ้าวจะหวดจะยากปวดแล้วก็ยากในฟังทำเนี่ยก็ยากหรือแล้วก็ยากมันไม่กล้าปฏิบัติ น, นี่คนจะบวดม่ได้ได้ปฏิบัติแล้วก็มันยากเป็นไม่พวกพระเด่นนะบางแห่งก็เหมืนกันมีมนได้ครับปฏิบัติคนทำไม่ได้นี่มันดูถูกเจงาของ ผมทำไม่ได้ครับเราสมัครมาเป็นทหารยีนัยของทหารเราทำไม่ได้มันจะเป็นทหารได้ด้วยเราเป็นตำรวจกดของตำรวจมีอยู่แล้วว่าผมทำไม่ได้ครับยีนายของตำรวจยีนายของทหารผมทำไมไ่ได้ได้อหมถ้าคิดอย่างนี้ถ้าทำยีานายมีอยู่แล้วบวชมาหนี่มีมนแล้ครับตั้งมาฐานอย่ผมจะอัอนง้โมตนาแต่คนทำไม่ได้ครับ จนบอกคนวัดนั่นปฏิบัติวัดนี้ไม่ปฏิบัติจนมันแดงทั้งสองอย่างแล้วคําพูดของคนในปัจจุบันนี้ว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติบวชก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยบวชไม่ปฏิบัติไม่มีในหลักของพุทธเจ้าของเราไปทิ้งไปเลยว่าตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้มันเป็นอะไรทีมันไมอยู่ในพุทธศาสนามันนอกพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ เราไม่ใค่ใจกันยากปฏิบัติตัวได้ไม่ยากปฏิบัติตัวได้เห็นเพื่อนไปอย่างนั้นเพีเดียฉะนั้นเงื่อบวชได้จะได้ปฏิบัติอย่างนี้มันก็ยากมันก็ยากมันยากอ ย, าก ย, ากอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พรรษานี้ต่งางในคิดสานาู้คิ์ที่มาพยายามมาตั้งใจจาจำพรรษากระผมนี้ให้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายพากันมาเอง มาเองทั้งทงผมบอกว่าอยู่นี่มันยากนะอยู่นี่มันมําบากนะพวกท่ันทางไหนก็ไม่ยอมทั้งพระบวชใหม่เป็นพระอาจรยตูกะรีมันยากมันยากอย่างนี้มาเองแล้วก็อยากอยู่เองให้พวกท่านทางไหนปฏิบัติเองอยากเข้าใจว่าวัดประฟองเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ มดมระพง น, นี้ไม่ได้ปฏิบัติในไทยครูมาอาจารย์ท่านสอนนี่ท่านสอนไปตามเรื่องของท่านแต่ท่านไม่ปฏิบัติให้เราท่านสอนให้เรานี่ทางไปที่นี่นี่ทางไปที่นี่ท่านทรงให้ทางใจทางการที่จะเดินทางเป็นเรื่องของเราเองในรับคําสอนเนี่ยยังไม่รู้จัก เราต้องเอาคําส อ, น, อนนั้นไปสอนตัวเราอีกั้งหนึ่งนั่นจึงเป็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลายจะต้องทํามาเองไม่ใช่ว่าผมนั่นจะสอนพวกท่านทั้งหลายให้เข้าไปหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าของมือนกันฉันนั้นท่านกบอกว่าตรงนี้แหละสัมมาสิทธิสัมมาสังกัปปะมันอยู่ตรงนี้นี่ทางไปปณิพานท่านก็เตือนเอาแค่นี้เอง ที่เราจะมีความข ย, นมนยนันมั่นเพียรนั้นนิสฐาน่เป็นเรื่องของเราให้พระพุทธเจ้าจะนั่งสอนอกระทั่งวันเราตายแต่เราไม่ทำเอาเองมันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ากำหนดความสามารถเหมันจะปฏิบัติในคนดีไม่มีทําไม่ได้แต่ว่าท่านในความเห็นของคนดีในเกิดจปัญญาน่นได้ฉะนั้นภาระทุกกลิ่นทุกอย่างนั้นตําแต่ เ, เป็นภาระ ภาระครูบาอาจารย์จะสอนให้เป็นภาระอันหนึ่งภาระที่เราจะต้องรับฟังแล้วก็ไปทําในมันเห็นเองเป็นภาระอันหนึ่งฉะนั้นพวกท่านทางไหนรู้ว่ามาเองมาทําเรื่องอย่างนี้ถ้ากทานรักษาตัวของใครของใครให้ดีให้งามตามข้อปฏิยาของวัดสงฆ์โป ร, โรง่งอย่ได้แม้บวชสามเดือนสองกวยันดีได้แต่ทำในมันถูกแต่ทำในมันดียายมันขัดข้อง อืในผงหมู่นี้สอนง่ายอืโสดวจัตตาเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายเด็จะเป็นคนดีถึงแม่ว่ายังใไม่วัดนัก็ุงนี้ท่านจะทําผิดก็ดองทำกับท่านไปก่อน <S 1> <S 1> <S <S บางทีสิ่งนั้นเรายังไม่เห็นแม้คาสอนพระพุทธเจ้าท่านเคยมีเลยที่เรายังไม่เชื่อท่านเพราะเรายังไม่เห็นนี่ก็ไม่เป็นความตื้นเพราะเราไม่รู้จักความจริงมาเป็นของฟองเท่านั้นนะ ทำสอนของพระอดีตเจ้ามาพูดไปได้มาถูกใจพุทธชนน่มันปลอมทั้งนั้นเนี่ยทำพูดของพุทธชนมาพูดไปผิดถึงใจพระอดีตเจ้ามันก็ปลอมทั้งนั้นมันยังเท่ากันไม่ได้ทั้งนั้นเรายังไรกันไปในธรรมะขณะนั้นในภาษา น, นี้ให้ประการตั้งใจทุกทุกคนแต่ว่ามันเคยมีความเดือดร้อนมาที่ผมบวชในภพทั้งหลายนานนา น, นี่ไม่ใช่ว่าดูถูกดูหมิ่นทำเน อับอายขายหน้าไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าเจ้าในนายมาก็ต้องทําอย่างนี้มาถึงทิ้นอยู่แล้วหมดแหละใครมีลาบใครมียศใครล่ำใครรวนก็เอาทิ้งไปโน้นหน้าวัดมีเอาเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้รวมสูงเป็นนรีโยกันเล ย, ย, ยเป็นวิสิทสิ์คาสดทเหมือนกันอยู่เหมือนกันมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันทั้งนั้นจะเป็นนายคนนายพันต่อทิ้งไปโน้นหน้าวัดวงกลมนั้น ติดตัวจริงแบกไปถ้าเอาเข้ามาในนี้แล้วมันมเห็นธรรมะมันขวางอยู่อย่างนั้นมันคนในยางทันจะต้องเป็นอย่างนั้นใครจะร่ำใครจะรวยใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะดีอะไรอย่างในกระช่งมันเถอะทางโลกมันจะเอามาวดในวัดนี้มันคนะในยางทันมันคนในยางทันอเพื่อนำสันทะมามเพื่ อ, อพระ อ, องค์นั้นเนรองค์นั้นนำสันทะมาอื คือวาจาที่ได้มอบเรื่องราวอะไรให้พระองค์นั้นเข้าไปไประชุมในสงฆ์รู้จักว่าเป็นนั่นนั่น น, น, นั่นอย่างนี้สงก็จะสบายใจกันอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจอืให้เข้าใจในการนี้ในประการที่สองแล้วก็สําหรับตรวจตราและปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเราจะมาด้วยศรัทธาเพราะอะไรที่มันเกิดมาด้วยศรัทธานั่นมัน สงบระงับมันเกิดประโยชน์ถ้าอะไรไม่มาโดยศรัทธานั่นมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์น้อยหรือจะบังคับมันมาเป็นต้นคมขืนมันมาอย่างนี้มันก็ยังดีเนี่ยถูกขทรมานถูกคุมขืนอะไรมันดีทรมานจิตใจของเจ้าของทรมานกิเลสมันเดือดร้อนมันเดาร้อนอย่างนี้มันก็เป็นประการหนึ่งอืมจนกว่าที่ทําไปไม่ได้ทุทรมานมันมีศรัทธาเนี่ยมันเป็นนะ อย่างมากสุดเป็นแล้วไม่ต้องบังคับมันอันนี้อย่างเนี้ยมันก็เป็นมาที่สุดแล้วการประชุมในสงฆ์นี้ด้เป็นเครื่องให้สำรวจตัวต า, าพระสิสุสัมมาเน่นการกระทําทจิตของสมณะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยตลอดไตรมาต่านี่มันจะมีกี่วันน่ะมันจะมีกี่วันถ้าเรา ถ้าเราไม่ขาดาเราห้องแสดงว่าปฏิปทาของเรานั้นทำอย่างไรเมื่อก่ดีดีกว่าคนที่ขาดไปในวันที่คนที่ขาดไปแต่ ว, วันนี้ท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอืมไม่รู้เรื่ององืมที่มา อ, อยู่รวมรวมกระสงก็อยู่ไปไก็เหมือนกันกับคนที่นอนดับอยู่บุรุษคนหนึ่งมันนอนดับอยู่นะอืมเอาชีนอนดับอยู่ลนะ ไอ้เพื่อนๆเราชีดดำมาป้ายหน้าจ้ะท่า น, น, นก็ไม่รู้ว่าเขาเอาใน้ายเราตื่นนอนขึ้นมาหมูห ม, หมูพวกทางานหัวรอกก็กลับหัวรอกับเพื่อนไปด้วยไม่รู้ว่าเขาหัวรอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้จักนัน อ, อันนี้ให้เข้าใจทุกคนให้ปลูกสัตว์พาปลูกความเชื่อขึ้นไอ้ธรรมดาเรามาฝึกใหม่ฝืนใหม่เพราะเรื่องเป็นธรรมดา อย่าเข้าใจก็ไปค่ายจะมาทำวัดสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีนี่อย่ า, าเป็นแค่ค า, ายก็จะไปเกนไปเกนมาทำทางานโยธาคือครวัตก็องทำงานโยธากัทานทำทางกรุยทางอะไรเงี้ยเป็นงานโยธาพวกหลวงก็เกนไปทำอย่างเนี้ย บังคับไปไม่ไม่อยากจะไปไม่มีศัทธาแต่ไปกลัวเขาจะลงโทษอะไเงี้ยไปแบกบจอบไปจับมีดไปเมื่อไปถึงแล้วว่าไม่รู้จะทำอะไรนะมันไม่ใช่ของเราจะทำให้มันดีมันงามก็ไม่ใช่ของเราบังคับมาไม่อยากจะทำพอดีเห็นเจ้านายพกรุกเพียบออกมาจับจอบจั บ, จบ เมียดขึ้นมาฟันทาอะไรไปแค่นนะเมื่อเจ้านายกายไปแล้วเขานอนสบายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตถาเพราะว่างานที่นนี้ไม่ใช่งานของเรามันงานส่วนรวมในความเห็นแตอย่างนั้นเราทุกคนเหมือนกันนะที่เราจะเข้ามาสบดในพุทธศาสนานอยากเข้าใจว่า เ, ออเรามาบวชทุกคราวแค่นั้นเนอ่ประเดียวเราจะสึกหรอก เดือนสองเดือนสาเดือนศึกอย่างนี้ถ้าไปคิดอย้เงนนเสียแน่นอนเนี่ยไอความชั่วมันทําไม่ถึงนาทีนะมันในคนชั่วนะใช่ไหมมันได้ชั่วนะไอทําดีแนละ้วแต่มันถูกต้องไม่ถึงนาทีนะมันคณะิดเดียวมันได้นะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นดิอย่างไรที่เราจะต้องทําเรามาบวชในพุทธศาสนาก็ทําให้มันเต็มเปี่ยมเดีจะต้องทําดูดิครูวา่าอาจารย์ท่านพาทำก็ต้องทําดิ เพื่อจะรู้จักมันเท่ามันจะเป็นยังไงไหมเราจะได้พูดเต็มปากเราเราไปบวชทำกรรมาฐานพยายามทำเต็มที่ของเราเถอะความขี้เกียจให้มันขี้เกียจไปไอ้ความขยันให้มันขยันไปขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำให้มันทำฝืนอไอ้จริงที่ไม่ดีอย่างนั้น ม, มนีการกระทำาก็ต้องทำอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าเราทำไปปรเดี๋ยวเราึกแล้ว ทำไปเป็นมั น, น, นเรียกกระสึดเนี่ยอย่าไปคิดเช่นนั้นเสียหายเสียหาย ไ, ายไอ้ทำความชั่วมันโขงเดียวมันเป็นชั่วนะนะลองดิยิงคนเดียวป้องเดียวเท่านั้นเน่ยไม่ถึงนาทีแล้วมันตายมันเป็นโทษไอ้ค mm hmm. ณะกิจเดียวไอ้ความชั่วมันน้ำน้ำพึ่งหยุดเดือดเดียวเท่านั้น mm hmm. ไอ้คนฆ่าคนมันมันวูบเดียวเท่านั้นเห็น ลูกตัวเองก็ได้ลูกฆ่าพ่อก็ได้เมียฆ่าผัวก็ได้ผัวฆ่าเมียก็ได้มันบูกเดียวเท่านั้นนี่นี่คือการกระทำความชั่วไม่ตรงนั้นเนาะไม่ต้องสี่วันห้าวันเนาะเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นแค่นั้นการกระทำความดีนั่นนะอย่าพึ่งว่าเราบัดนี้เรายังไม่เอาแน่นอนดอกนำมาวอดโจ๊กขาวก่า น, นั้นอย่าไปคิดเค่ น, นั้ น, เ, นเรามีโอกาสขนาดนี้มันดีแล้ว ขนาดนี้มันดีแล้วอย่างไรก็ต้องเด็ปัจจัยมีปัจจัยติดตามตัวเราไปเมื่อเราไดระทำแล้วทำดีนั่นแหละดีแหละให้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> อะไรไม่เป็นขอบเขตมาเป็นเครื่องหมายการประชุมในโบสถ์หลังนี้ร่นานระฟังมาถึงเวลาเดวมาอันนี้แหละตรวจดูง่ายๆว่าอั น, นมันจะเป็นยังไงอะไรไ้อย่างนี้รู้จักกันน่ะ ใครจะเป็นอะไรยังไงไอ้ปฏิปทานี่บอกเหตุผลแล้วการจะทํานี่บอกเหตุแล้วอืมเนี่ยสู้จักละอย่างนอย่างนั้นต้องช่วยตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์บังคับเราอมอย่าเข้าใจว่าท่านบังคับเราทุกคนมาด้วยศรัทธาทั้งบวทใหม่ๆก็ดีทั้งบทเก่าๆก็รีอืมมาด้วยศรัทธาทั้งนั้นอย่างผมเนี่ย บวทเกา่าไม่มีใครเชิญมาเลยมาบวช น, นะไม่มีใครไม่มีใครเชิญมาไม่มีใครบอกมาไม่มีใครอาราธนามานะผมมาเองผมนี่ น, นี่ถ้าเรามาเองแล้วต้องมาทําเองทีพอเรามาเองเราต้องทำทำเองเราทีระเบียบมันมีอยู่แล้วก็ต้องทำทีเราจะรู้ว่า ทำติดกันตลอดสามเดือนน่ยมันจะเกิดผลประโยู่์อย่างไรเมื่อเรายัางอยู่จะได้พูดเต็มปากเราเมื่อเราศึกไปก็จะได้พูดเต็มปากเราอันนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้เดียวนี้น่ะวัยของท่านมันยังไม่ครอบประมาร์ลอายุห้าสิบหกสิบปีแล้วท่านทั้งหลายจะได้มองดูท่านหลังนะ่ะเนึกถึงที่พระสงฆ์ทั้งหลายีช่วยนะนะั่นน่ะท่านจะรู้จัก จะได้ออกปากมาว่าเออแม่แม่แต่เรายังหนไม่รู้เรื่องนะ น, นี่เนาะค <c oughs> ณะสงฆ์สอนท่านเทศน์ให้ฟังทุกอย่างหลวงพ่อท่านก็อสอนทุกอย่างมีศรัทธาส่งข้อเราเรากลับไม่รู้เรื่องเลยอืนึกว่าไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่เรื่องของเรายแก่แล้วถึงรู้จักอถ้าหากว่ารู้จักสมัยนั่นกงโอ้ย คงจะดีไปซะแล้วป่านนี้อันนี้มันมันสายไปแล้วเนยไปอีกจะแล้วเกือบทุกคนจะพูดกันอย่างนี้มันไม่ดูรื่นดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือท่านบีระพนเนี่ยปีนี่ผมช่วยให้ให้อธิบายธรรมะอธิบายพอดีนายให้ฟังเรื่องพอวินายนี่นอ จะไปพูดให้มันเข้าใจกันจริงในที่นี้ไม่ได้เป็นคร่าวๆไปเท่านนะั้นไม่เวลามีพ อ, อสมัยก่อนผมห้ า, า, ห า, ศ า, ศาพันษาหกพันษาเนี่ยในบุพชีขานี่องค์ของที่คาบทเนี่ยมันจะเต็มในกระเป๋าเลยมไม่ต้องแบกบุพชีขาเขียน mm hmm. ไม่ได้มีพิมพ์ได้แล้วเขียนเองเลยตอนนี้น้อยหนาขนาดใส่ยากไลยดูทุกอย่างเลย มันต้องคลึงขนาดนั่นดูไปดูไปดูไปน า, นานดูไปน า, นานดูไปผลที่สุดในสมัยสุวรรณนี่คิ่งแล้วคล่งเพราะอะไรเพราะเรารู้มันแด้ ว, ว่าจะไม่ทำมาแล้วขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปมันผิดแล้วจไม่ทำอยู่แล้วมันตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปมันไม่ผิดเพราะเราไม่มีเจตนาอะไรแล้วอย่างนี้นั่น อันนี้เป็นสิ่งสี่สัมพัญพระวินัยทุกแง่ทุกมุมนั่นจะให้จบมันในจบต่อนะไม่จบนอกจากเราพระวินัยทั้งหมดเนี่ยอ่านคร่าวอย่างเรารู้จักแล้วหนึ่งเรามีความละอายมีความกลัวนะนะเท่านี้เนะี่ยจะทำอย่างนี้มีความละอายเกิดขึ้นมาแล้ว อันนั้นไม่ทํามันจะถูกหรือผิดก็ช่างมันยังไม่ทําเลยจะพูดอย่างนี้มันจะผิดหรือถูกไม่รู้จักไม่ต้องพูดมันเลยอันใดที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยอย่าพึ่งทําอย่าพึ่งพูดเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอันนี้ที่รวมของสวินัยแล้วเนี่ยที่รวมของสวินยัยอายกลัวต่อความชั่วทั้งหลายแล้ว ยุงตัวนี้จะเจตนาไปฆ่ามันนะเหมือนกับเราฆ่ามนุษย์คนหนึ่งนะอย่างนี้มันขนาดนั่นเนี่มดตัวนี้เราจะแกล้งไปฆ่ามันนะเหมือนฆ่าบัวสักตัวหนึ่งแต่มันขนาดอย่างนั้นจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อยุงมันมากัดเรามันมีความรู้สึกไปมันคันนะเราคว้าไปเกาเอออย่างนี้ตัวยุงตายไป น, นั้นก็ไม่มีอะไร แต่เขายังเตือนในเรามีสติขึ้นให้มากอีกอย่าประมาทอย่างนั้นนะมันต้องเพิ่มไปอย่างนั้นเราจะรู้จักเรารักษาที่เดียวนี่มันจะครอบทุกทิศขั้งหมเลยนะเรามีความร้ายหนึ่งมีความกลัวนี่งนะสองตัวเท่านี้แหล ะ, ะพระบิดในทุกแง่ทุกมุมจะมาจกอยู่ตรงนี้สองคำนี้มีความอายมีความกลัว เท่านี้เองเนี่ยนี่ถ้าเป็นธรรมะเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้นี่จะนั่นที่ท่านมีธรรมะพอสมควรมีที่พึ่งเนี่ยท่านจึงปล่อยวางมสมัยก่อนต้องแตำพีไปินายไปไม่เคเป็นนะ่งหลายี น, ยนะผมัง้งมันนะมันงทิ้งอันนี้พึ่งมันกันยังอยู่ไม่กล้าทาอย่างนั้นมันเป็นธรรมแล้ว ถึงจะไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรของมันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สนใจในพระวินยัยสนใจในพระวินัยอยู่แต่รู้เรื่องของพระวินัยแล้วจะไปรักษากันหมดหม ด, หมด ท, ทุกทุกที่ขาบทันตายนี่แต่เอาจริงเอาจังอย่างนั้นไม่ได้เราไปถึงพระวินยัยเราปุบ๊บเข้ามาในธรรมะพระวินัยนี่จะไม่ใช่ของเล่นๆนะบางคนอ่านไปไหนฟังโอ้ยอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเป็นนามธรร ทุกนาทีเลยนะนี่คือคนไม่มีปัญญาผมเคยเล่าให้ฟังนะ่ะนายคำอยู่บ้านทุง่งบวชสาน่ะเดินอยงผมไปซักๆเดียวอ่านึกถึงอันนั้นแสดงเป็นอาบัตแล้วไปหาพระเดินอย่มอยู่ในการท่านท่านเห้ยผมแสดงอาวัตด้วยเป็นอาวัตแล้วนั่งไปเดินอีกเ้าน่งก้าไปอา้าอันนั้นมาอีกเป็นาาอาัแสดงาัยู่ตลอดเนลยเป็นบ้าอเยีย นี่เข้าใจมั้ยอะไรก็จะเป็นอวัตถงนั้นผ้าไกลเดียวนั้นอ่ะบวชแล้วเข้ามาภาวนาไปนึกไปได้ไอ้ผ้าเนี่ยถ้าเรายังไม่เจิตถูกนะมั้งเนี่ยอ้าออีกแสดงสงสัยเลยไปเสียเสื้ผ้าใหม่จิตถุใหม่ทำใหม่ต่อมาอีกสามวันสี่วันเดินที่กกลมไปมาปุ๊บะ เราอธิษฐานหรือเปล่ากันไม่รู้สงสัยอยู่แล้วไปเสียชนะผ้าอีกแล้วมาสินทแล้วมาอธิษฐานใหม่แล้วก็อยู่ไปห้าวันสอวั น, ว น, วนทําไปอีก mm. อ, อ, อธิษฐานออกชื่อผ้าได้ไงไม่รู้เอาเอาอยู่แล้วสังคาติหรืออุตราสงอันตราวาสกออกชื่อหรือไม่ออกชื่อเลยเอาเอาแล้วไปเสียชนะอีกแล้วแดลกันนี่เกิด ยิ w, ่งดูพว well. <ator> ิน <defense>, ัยไปเท่าไรนะยิ่งเกิดความวุ่นวายสงสัยไปหมดทุกแง่ทุกมุมเลยนี่มันเป็นอย่งนี้จนกว่าบวชสามพันษาเนี่ยไม่มีอะไรสงสัยทั้งนั้นไอ้พระกติกใกล้กันนั่งเกียรเนี่ยเดี๋ยวเดินจะพรเพียนเก่งเหมือนกันนะจะเพียนหาอาวัตเพียนหาความผิดวุ่นวายไปเดี๋ยวก็เดินปั๊บับท่านเนี่ยผมเจอาวัเนี่ย ให้ hey, ผมแสดงอาวัตหน่อยไอ้พระกติใกล้ ก, ก, กันจนวุ่นวายนี้ตรงเทไรก็ยิงอาวัดไม่หมดแล้วจาเป็นก็นต้องสึกนี่สงสัยสงสัยสึกไปแล้ว ม, มันเกิดมีวอนมันทำอะไรไม่ได้มันเกินไปสึกไปเรื่อยไปทํานเลยเลยไปหากบขายตดสงสัยอะไรนี่ไม่มีวอนเลยนี่ มันบาปแท่แท้ยังไงไปนั่งให้โทษเราโดยมากพวกที่ใหม่ๆอายกลัวเกินไปมันชอบเป็นอย่างนั้นปรับอาบัตตัวเองด้วยบางทีก็น้าปุกตูกะมันเคลื่อนลงมาปุ๊บยังงแหมมันมีความสุขนะแยกไม่ออกแตแม่เราอะไรไหมเนาะนี่นะเรายินดีไหมอะไรไม่ เราพยายามไม่แยกไปออกซะแล้วเอ้าเป็นอาวบดีแล้ว <c oughs> แหมพวกนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องมันไม่แจ้งขาวปฏิบัติน้อยดูที่ทนมันไปดูถีมันจะเป็นไง ไ, ม, ไม่รู้จักอย่างไรก็ให้ศึกษาแล้วนะที่ท่านให้ข้อคิดนี่เดีศึกษาชัาวนะ่วคเนี่ยถ้าหายมันดีจริงๆนะ เราจะมีหนังสืออีกเล่ม น, นึ่งใครจะสนใจศึกษาไปในยิ่งต้องไปดูในกติกของเราวังว่าดูไปพิจารณาไปดูไปมาพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็มาต้องมาฟังธรรมพิจารณานั้นๆเมื่อมันไม่เข้าใจก็มาเรียนถามท่าน mm hmm. เรียนถามท่านอ mm hmm. ท่านจะช่วยแนะนำ mm ํำ hmm. เมื่อท่านช่วยแนะนําก็ ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะวางนั้ก่อนมันยังหนาอยู่ยาายบางที่ก็ถามจนกว่าที่ว่าคนที่แนะนำอะไรไม่ดูอย่างอาจารย์ที่ลวลนี่ไหมถามจนอาจารย์อาจารย์อาจารย์เียนวิ่งเขาปาเลย<ม>อะไรก็<ม>อย่างนั้นจนเขาไม่นับ<ม>ได้การเข้าในที่ประชุมเลย<ม>อย่างนี้สงสัยไม่รู้เรื่องมไม่รู้เรื่อง อย่างนี้มันก็เกินไปอันนี้หลายข้อให้ข้อคิดในการพินัยแต่มันก็ยังดีนะเพราะพิณัยนี่มันพินัยมันมันผิดถ้าทําผิดไปคือมันผิดมันเองนะไม่สมูร์นี่จะเป็นกฎหมายของพระเราโดยตรงก็ได้แต่มันเป็นของละเอียดมากอันนี้นะเป็นของละเอียดมากหรือเกินอันนี้เป็นของละเอียดมาก เราจะตามันในทันไอสิ่งที่มันละเอียดต่ละเอียดนี่มันละเอียดอยูนั้นเนีเ่ยตามมันในทันเนี่ยต้องอาศัยการอาศเวลานานๆอาศยัยศึกษาคูบาอาจารย์ดีด้ทยปงกากะทไป ด, ดยอย่างนี้นะอันนี้เรียกรียว่าพลินนยทีนี่ครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านปฏิบัติมาเดี๋ยวนั้นนั้นได้มาปิดูพินยแล้วแตดูจิตของท่านเ จิตของท่านการดูจิตของท่านอมันมีออกจากจิตของท่านเพราะพุทธศาสนามันเรื่องของจิตอย่างจิตเนี่ยมันเด็กคิดจิตฉาใครอย่างนี้ก็รู้แล้วท่านท่านไม่ไปยุง่งกับมันมันผิดแล้วมันจิตฉาคนนั้นอย่างเนี้ท่านรู้มันแล้วเรียมันรักคนนี้อย่างนี้ท่านรู้มันแล้วอย่างเนี้ไอเราทํามันถ้ามันเกลียดจะส่งเสริมมันให้มันฆ่ามันแกงกันไป ถ้ามารักมันก็ฟันเฟือกันไปไม่รู้เรื่องท่านรู้แล้วน่ะดู้ได้ว่าอารมณ์ท่านรู้แล้วอะไรท่านรู้ของท่านแล้วท่านจะอยู่สบายสบายของท่านไปอย่างนี้ท่านปล่อยวางเพื่อท่านรู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องสิเหมือนเด็กเด็กกันอ่ะปล่อยเด่นทายไอตัวอะไรมาวิ่งมาผ่านหน้ากระจกคุปมันเด็กไม่รู้อะไรนะไอ้มดมากระจะคุปวึ่งบีดมากระจกคุบ เนี่ยเนี่ยไม่รู้จักเยอะก็ามาแรนป่องมันจ่มากกว่าตะคุบอีกเ น, นี่ยไปต่อยอังร้องให้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ดีมากกว่ากว่าตะคุบเอาะความพอใจมากว่าตะคุบเอาซะความเสียใจมากว่าตะคุบเอาซะจับทั้งนั้นออย่างนี้เรียกว่าเรายัางไม่ชนดพอไม่รู้จักอไม่รู้จักไอ้ความดีมาให้โทษเราเมื่อเราไม่รู้จักดีไอ้ความชั่วมันก็ให้โทษเราเมื่อเรารู้จักชั่วเนี่ยอ ให้โทษเราถึงสองอย่างถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วอันนี้ให้เข้าใจการภายในรักษาภายในนี่ต้องให้เรียนรู้วาอย่างนี้ทุกๆท่านก็ดีให้พยายามเท่าที่พยายามนี่มันใหม่เนี่ยยังไม่ถึงเดือนในพราษาในพยายามเร่ง ่อการปฏิบัตินั้นนะ่ะในทางมันที่ดีที่สุดยอ่อเรามาทำปฏิบัติใหม่ๆในรู้เรื่องอะไรนะจะทำอะไรจะคิดให้รู้ซะ ก, ก่อนถ้าสงสัยเรา อ, อย่าพูดมันเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งทำมันเนี่ยอันนี้แหละเรื่องบริสุทธิต์ ต, ตรงนี้ก <c oughs> ารมันจะให้เรารู้รู้สึกตัวอย่าไปเพิ่งทำมันง่ายต้องอดกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างอ ความเห็นหนึ่งอย่างท่านเทศสติปัฏฐานหรือมักมีองค์ปแปดในฟังวันเนี่ยสัมมาทสติ ค, ความเห็นชอบไอ้ความเห็นชอบมันจะเป็นไงเนาะถ้าเรารักคนนี้เราก็พอใจเรื่องว่าชอบแล้วถ้าเราเบียดคนนี้เราก็ไม่พอใจเรื่องว่าเราชอบแล้วแน่มันเป็นซะ อ, อย่างนี้มันชอบั้งข้างคู่คูไปอย่างนั้นไอ้ความจริงตั้งให้ปล่อยทั้งชอบทั้งไม่ชอบไว้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเราู้มันมีสติอยู่ กงบอยู่เท่านั้น